ส่วนอีกคาถาหนึ่งก็บอกว่าผู้ใดเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายผู้ต้องการความสุข น, นะด้วยอาทยาทางกายวาจาและใจเนี่ยบุคคล น, นั้นสแสวงหาความสุขเพื่อตนเนี่ยย่อมไม่ได้ความสุขในภพหน้าคือสแสวงหาความสุขด้วยการให้ทุกข์แก่คนอื่นเนี่ยนะถามว่าคนนั้นจะได้ความสุขไหมก็เหมือนอะไรนะสแสวงหาความสุขด้วยการเที่ยวตีคนอื่นเนี่ยนะเที่ยวฆ่าคนอื่นเนี่ย บุคคลนั้นจะมีความสุขมาแต่ไหนแล้วก็หลายๆหลายๆแห่งในประเทศไทยใช่ไหมสงครามที่เรียกว่าสงครามประจำตระกูลเนี่ยนะตระกูลนี้ไปฆ่าตร ะ, ะ, ะกูลนู้นตระกูลนู้นมาฆ่าตระกูลนี้คิดว่าฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งแล้วตัวเองจะได้ความสุขจริงๆได้ไหมไม่ได้นะเพราะเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร น, นะยิ่งมีเวรกันเท่าไหร่ยิ่งทั้งสองฝ่ายนอนไม่หลับกันทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นผลเนี่ยให้ผลเป็นทุกข์แน่นะ ส่วนอีกคาถาหนึ่งผู้ที่บริโภคอาหารมากเนี่ยนะนะอาหารอะไรนะสํานวนไทยบอกหนังท้องตึงหนังตาก็ย่อนก็เลยง่วงก็เลยเข้าห้องนอนนอนก็เกลี้ยงไปเกลี้ยงมานะเนะนะเมื่อยซ้ายก็พลิกขวาเมื่อยขวาก็พลิกซ้ายนอนงายบ้างก็พลิกอยู่งั้นะนะ ทีนี้ถ้ามักง่วงตอนนั้นเนี่ยถ้าจุติระวังนั้นนะควรจะไปที่ไหนเข้าคันแน่นอนอยู่ในคันต่อไปเพราะฉะนั้นก็เข้าห้องนอนบ่อยๆเขาก็ไม่พ้นจากห้องคือคันพระองค์ก็บอกว่านี่นะถ้าผู้ใดต้องการพ้นจากการเข้าสู่คันปรารถนาจะพ้นจากชราและมรณะหนึ่งรู้จักประมาณในโภชนาะสองและอินทรสังบรนสาม ชาคดียานุโยคสีเป็นผู้ดูแลกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้หมายถึงไม่ประมาทในกุศลธรรมนั่นเองเจริญกุศลธรรมได้เป็นอย่างดีและก็สําคัญก็คือให้ตั้งความเคารพในเพื่อนพรหมจารีเนี่ยนะเคารพซึ่งกันและกันเมื่อขึ้นคาถาใหม่ว่าคาถานี้ยกมาจากคาถาธรรมบทว่าความไม่ประมาทเป็นส่วนแห่งอมตะความประมาทเป็นส่วนแห่งความตาย ปทะตัวนั้นน่าจะแปลว่าทางนะว่าความประมาทเป็นทางแห่งความแห่งพระนิพพานอมตะตัวนั้นเป็นชื่อของนิพพานความไม่ประมาทเนี่ยนะเป็นชื่อของมรค น, นั้นความไม่ประมาทเนี่ยหมายถึงอบรมเจริญอริยมรคมร์ตัวนี้นี่แหละเป็นทางแห่งอมตะคือพระนิพพานความประมาทเป็นทางแห่งความตายเพราะอะไรเพราะว่าความประมาทนี่เป็นเหตุให้ไปนําไปสู่ ชราและมรณะไม่มีที่จบที่สิ้นชนเหล่าใดไม่ประมาทชนเหล่านั้นย่อมไม่ตายชนเหล่าใดประมาทชนเหล่านั้นแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วนะถ้าเป็นในสมัยพุทธกาลนี่ก็ตัวอย่างใครพระนางมาคันธิยาเนี่ยเป็นบุคคลผู้ประมาทใช่ประมาทเนีอย่ายังไงนางมาคันธิยาเนี่ยแปแกเป็นคนที่จงเกลียดจงชังพระพุทธเจ้าเข้ากระดูกเลย เพราะฉะนั้นใครถ้าชอบพระพุทธเจ้านะถือว่าเป็นศัตรูของนางหมดตอนหลังพระนางสาวมาวดีเป็นต้นเนี่ยเป็นอุปถักของพระพุทธเจ้าผูกเวรจนถึงกับเข้นฆ่าพนางสาวมาวดีพร้อมทั้งบริวารห้าร้อยเนี่ยแล้วก็เคยจ้างคนให้ด่าพระพุทธเจ้าอยู่เจ็วันนี่นะนางก็ใช้ชีวิตด้วยความประมาทในที่สุดเนี่ยนะก่อนจะตายเนี่ยตายแบบโหดกว่าคนอื่นเลยนะพระเจ้าอุเทนเนี่ย แ, แนนค้นแค้นนางมาคันธิยามาที่ที่สั่งให้เผาพระนางสามาวดีถึงขนาดว่าค่อยๆแล่เนื้อทีละชิ้นเนี่ยแล่เสร็จแล้วก็ไปทอดนะ้ำมันนะไปทอดเสร็จก็ต้องกินด้วยนะให้เจ้าของเนื้อเนี่ยกินเนื้อตัวเองอะ่ะโอ้กว่าจะตายเนี่ยนะไม่รู้กี่ทอดแล้วก็ไม่รู้นะเสร็จแล้วตายก็อเวจีมหานรกเน่นะไม่ไม่ไม่เบาตกเป็นพุทธันดอนเนะี่ยหายห่วงเลย เป็นอสงไขยเปลี่ยนจากนรกสู่นรกอีกนอนถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ปางใดนี่แกถูกเผาอย่างนี้ไม่รู้กี่กี่ชาติก็ไม่รู้เป็นแบบปลาเผาเ่ยนะแกเห็นไหมถูกเผาลักษณะนั้นไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วถูกด่าไม่รู้อีกกี่พันล้านชาติเพราะด่าพระพุทธเจ้ากับสาวกไว้เนี่ยนะวนึกเลยนะข้างหน้าต่อไปเนี่ยนางเนี่ยคงเดือดร้อนมากหน้าการุณาจริงๆว่าถ้าผลแห่งบาปที่ทําไว้ตลอดชีวิตเนี่ยนะ เขาหน้าเห็นใจขนาดไหนคิดถึงพนางมาคันธยาแล้วเนะี่ยถ้าเป็นแบบเป็นอะไรนะเป็นน้องเราหรือเป็นพี่สาวเราเป็นญาติเราจริงๆเลยนะเราคงทุกข์มากเลยนะว่าผลบาปเหล่านั้นที่มันให้ผลเนี่ยมันจะเดือดร้อนขนาดไหนอย่างตอนนี้นางไม่ได้ความสุขอะไรหรอกดิ้นเร่าๆอยู่นั่นแหละในอเวจีเนี่ยนะนั่งนิ่งไม่ได้อยู่แล้วความร้อนของไฟเนี่ยมันร้อนขนาดนั้นเนี่ยมันดิ้นเร่าๆเป็นเป็นอาสงขายปีนะ่ะหลุดมาจากนั่นก็ถูกถูกฆ่าอีกหลายร้อยชาติ เพราะว่าชาติที่สั่งเผาเนี่ยเาผาพระอริยะห้าร้อยอะคิดดูเาผาพระโสดาบันถึงพระรหันเนี่ยนะร่วมห้าร้อยเนี่ยมันจะมีโทษขนาดไหนแล้วก็สาดดาพระพุทธเจ้าด้วยยุแยงจะแข่งรั่วซออเสียดคนอื่นไว้ตลอดทั้นชาติต่อไปเนี่ยศัตรูคงมากผูกดาก็มากถูกฆ่าก็บ่อยทั้นถ้าใครอ่านชีวิตของพวกที่เกิดในยุคมีสงครามนะเลยไม่ต้องแปลกใจนะเพราะบางคนนี่เขาทํำตรมไว้ เอาไว้คู่ควรที่จะทุกข์ทรมานจริงๆพันนางเนี่ยประมาทก็ชื่อว่าตายแล้วใช่ไหมส่วนผู้ที่ไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายแม้จะยังมีชีวิตอยู่เออคือผู้ที่ไม่ประมาทเนี่ยนะก็ชื่อว่าไม่ตายเพราะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทปฏิบัติธรมรมบรรลุพระนิพพานก็พ้นจากความตายเนี่ยนะก็หลุดพ้นจากความตาย พอพูดอย่างนี้นะถามว่าอะไรน่ากลัวที่สุดนะบอกความประมาทน่ากลัวที่สุดอันนี้ตอนเรียนนะน่ากลัวที่สุดแต่ตอนเป็นจริงก็ธรรมดาไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยความประมาทเป็นอย่างไรก็จะนะประมาทคื้อย่างไงเรียกว่าประมาทก็คือขณะที่ปล่อยจิตไปในการมาคุณทั้งหลายเนี่ยนะขณะที่ปล่อยจิตเข้าไปในการมาคุณนะหมายความว่าเพลิดเพลินนเนี่ยเช่นอะไรดี เที่ยวห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยนะสมมตินะนี้ยกตัวอย่างขณะที่เพลิดเพลินในหูอันนั้นก็ดีอันนี่ก็สวยเป็นต้นเนี่ยขณะนั้นแหละเรียกว่าประมาทแต่เคยเคยนึกไหมว่าโอ้นี่คือทางแห่งความเกิดใหม่นะมีโยมคนหนึง่งเขาไปเที่ยวสวนสวนผุกาดนี่แหละไปดูดอกไม้อยู่ไม่กี่ต้นก็บอกกลับแล้าวคำว่างั้นอ้าวทาไมกลับกลัวชาดหน้าจะมาเป็นผีเสื้ออยู่แถวนี้คำว่างั้นกลับไปฟังเทพดีกว่าเขาว่างั้น กลัวจะเป็นผีเสื้อ<笑><笑>นั่นนะก็น่าคิดเหมือนกันนะถ้าจุติตอนนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเขากลัวจุติตอนนั้นก็เลยกลับไปฟังเทพต่อฟังธรรมะนะท่านผู้ที่ไม่ประมาทอาขอไปผู้ที่ประมาทคือผู้ที่ปล่อยจิตไปในการมาคุณห้านี่อย่างหนึ่งอย่างที่สองเลิดเพลินในทุติริตกรรมหรือขณะใดที่กาลังทำทุตยริตรกรรมขณะนั้นชื่อว่า ประมาทเพราะว่าความประมาทเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเหตุให้ไปสู่อาบายโดยเฉพาะขณะที่ทำทุจริตกรรมเนี่ยนะเพราะตรงนั้นเนี่ยคือการขุดขุดหลุมเนี่ยนะเพื่อฝังตัวเองตรงๆเลยพระเระรูปหนึ่งท่านบอกว่าไฟเนี่ยนะไม่ตั้งใจจะไม่คนผ่านแต่คนพานเนี่ยนะ โดดเข้าไปในกองไฟเองชั้นใดก็ดีเนี่ยนะนรกเหมือนกัน น, ะนรกมันไม่ได้ตั้งใจเผาสัตว์ทั้งหลายหรอกแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายแย่งกันทำชั่วเพื่อให้นรกนี่มันเผามันก็พวกที่ประมาทก็คือทำทุจริตกรรมดังกล่าวไปนี่อย่างหนึ่งอย่างที่สองประมาทคือเจริญกุศลแบบไม่ต่อเนื่องเจริญกุศลแบบไม่ตั้งใจเจริญเจริญแบบหยุดยุดหย่อนยเจริญแบบ จเจริญแบบหลายๆครั้งที่เราจเจริญน่ะนะสังเกตดูนั่นแหละเรียกว่าประมาทถามว่าพระองค์ประสงค์อะไรที่แสดงคาถานี้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งพระนิพพานความประมาทเป็นทางแห่งความตายเนี่ยนะชนเรล่าใดประมาทชนเหล่า น, ลนั้นก็ตายคือเป็นเหมือนคนตายชนไม่ประมาทก็ก็ย่อมไม่ตายเนี่ยนะพระองค์ประสงค์อะไรพระองค์ประสงค์ว่า ผู้ที่แสวงหาอมตะธรรมทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ประมาทดํารงอยู่คือใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทศิกขาที่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเลยนะคือดํารงอยู่ในหลักการว่าด้วยความไม่ประมาทเพราะผู้ที่ไม่ประมาทนี่แหละบำเพ็ญอธิศีลแสิกขาไม่ประมาทในการบําเพ็ญอธิจิตตสิกขาไม่ประมาทในการบําเพ็ญอธิปัญญาสิกขาเมื่อใดที่เราทิ้ง ศึกษาสามขนาดนั้นแหละชื่อว่าประมาทแล้วเนี่ยนะเคยสงสารตัวเองบ้างไหมนนะในห้องเราใครไม่เคยกรุณาตัวเองเลยนะไม่มีเนาะสาธุแต่ว่าชอบประทุศร้าตัวเองสงสารอยู่เหมือนกันน่ะนะแต่ก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามเนี่ยนะที่ปรารถนาความสุขโดยที่ทำแต่ความทุกข์ทำแต่บาปแต่อกุศลเนี่ยนะ ถามว่าบาปอากุศลเหล่านั้นผู้ใดเป็นคนรับก็ตัวเองนั่นแหละรับ嘛นะแล้วก็ถามดูนะเวลาตะคิดจะทําอกุศลนะบอกจะหาทุกข์หาโทษให้ตัวเองเดือดร้อนไปถึงไหนเนี่ยนะก็ถามง่ายๆว่าจะหาทุกข์ให้กับตัวเองไปถึงไหนเพราะทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะอย่างถ้าใครอ่านเทวทูตสูตรมาจะรู้เลยใช่ไหมพญายมก็บอกว่านี่นะบาปที่ท่านทํามาเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ทําให้ท่านนะอันนี้ไม่ใช่มรดกจากพ่อจากแม่นะ อันนี้มิตรอมาตยญาตสาโลหิตก็ไม่ได้ทําให้เพื่อนฟูงไม่ได้ทําให้ท่านทําของท่านเองเพราะฉะนั้นท่านท่านจะเดือดร้อนนะเพราะกรรมของท่านดังนั้นพวกกรรมชั่วทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นมรดกของส่วนตนส่วนตนจริงๆแต่หลายคนก็ทําบาปเพื่ออ้างนะเคยได้ยินไหมฆ่าสัตว์เพื่อเมตตาเพราะการุณาก็เลยฆ่าสัตว์เขามีอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาเห็นช้างมันป่วยก็เลยช่วยกันฆ่าช้างมันจะได้เลิกทรมาน ชายคนหนึ่งนะเขาไปยิงชนีตัวหนึ่งตกมาแล้ว ช, ชนีมันก็มันก็เป็นมีรูใช่ไหมแผลมันถูกยิงมันก็หาอะไรมาอุดแล้วมันก็ไปหาลูกมันอีกคนหนึ่งสงสารจับใจเลยชักปืนออกมายิงก็ตายเลยอันนั้นนี่สงสารจริงหรือเปล่าอันนพวกนี้ก็ไม่ใช่กรุณาอย่างแท้จริงอ น, นะเพราะฉะนั้นกรุณาอย่างแท้จริงก็คือคือกรุณาชนีจริงแต่ว่าขาดความการุณาต่อตัวเอง ว่าตัวเองกําลังทําปาณาติบาตอยู่นะทำเหตุแห่งความทุกข์อยู่นะเพราะสัตว์ทั้งหลายถึงเจ็บป่วยขนาดนั้นอนะ่ะมีไหมที่ใครอยากตายร้องเรียกหาแต่ความตายเนะี่ยนะยากเต็มทีร้องเรียกหาแต่ชีวิตทั้งนั้นแม้แต่ปางตายนะั้นยังร้องเรียกหาแต่ชีวิตเนี่ยนะถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายรักการตายจริงๆนะโรงพยาบาลขาดทุนหมดในโลกนี้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าะทุกคนเนี่อรักชีวิตต้องการชีวิตทั้งหมดนะนี แสดงว่าศาต์ทั้งหลายเนี่ยรักความสุขเกลียดต่อความทุกข์แต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยมันตรงกันข้ามหาเหตุแห่งความทุกข์ให้แก่ตนเนื่องจากอะไรขาดอะไรตกรลงขาดกรรมมักตาปัญญาเนี่ยนะขาดกรรมสกตาปัญญ า, นะารร ม, มีหน้าละในฐานสูตรเป็นต้นเนี่ยนะหรือในอภินหะปจเวคณะสูตรเนี่ยพระองค์ให้สาธยายไว้เลยนะให้มันพิจารณาไว้เนืองๆท่านบอกว่าอภินหปัจเวกว่า ปัจเจก์บ่อยๆเนืองว่าเราเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนกรรมมีอะไรกรรมีมีกรรมเป็นของของตนคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นของเราเองนะกรรมนี่แหละมันจะเป็นผู้ให้ผลกรรมนี่แหละเป็นแดนเกิดกรรมะโยนี่นะถ้าจะเกิดในภพใดภูมิใดก็ตามสมควรแก่กรรมนะกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโน คือสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสิ่งที่เราทำเนี่ยนะสิ่งที่เราทำเนี่ยกาลยานังวาปาปะกางวาจะเป็นบุญหรือบาปก็ตามเราจากเป็นผู้รับมรดกทายาทแปลว่าผู้รับมรดกมรดกที่เราทำอ่ะนะคือคาพูดใดที่เราพูดไว้เราจากเสวยผลแห่งคําพูดนั้น สิ่งที่เราทําคําที่เราพูดสิ่งที่เราคิดนะนั่นจกัจกจับเป็นของเราหันเวลาเจริญกุศลเนี่ยนะเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งสาธยายเอาไว้เลยเขาบอกว่าดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงหให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นเวลากโกรธก็คิดอย่างนี้ด้วยเหมือนกันบอกเออเนี่ยนะชาติที่หนึ่งให้ผลชาตินี้อนาคตป่วยแน่ผลมองโทสะใช่ไหม ให้ผลชาติหน้าถ้าจุติตกนรกแง่ๆเลยเพฤตกรรมตัวนี้ชาติที่สามเป็นต้นถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่สวยก็อย่าบ่นนะเพราะผลของความโกรธใช่ไหมก็สาธยายไว้อย่างนี้บ่อยๆนะมั น, มนเดี๋ยวมันกลัวทุกข์เองแหละมันก็เลิกโกรธตอนใครที่จักเจริญอะไรนะมโนกรรมให้มันสุดจริตบ่อยๆเนี่ยเจริญกรรมมัศกาให้มากๆคิดถึงพุทธพจน์บทนี้เอาไว้เยอะๆเนี่ยนะอันนี้คาถาอะไรนะ คาถาเพื่อจเจริญหีริโอตาปะดีจริงๆ น, นะนลองฝึกสาธยายไว้บ่อยๆนะเนี่ยสมมุติถ้าเราเป็นอกุศลนี่วนกลุ่มรุมก็สาธยายอันนี้ไว้เลยเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันเนี่ยนะคิดอย่างนี้สักพันรอบมันก็เลิกเลิกอกุศลแล้วเนานะเป็นบุญตั้งเยอะตั้งนานลนะสาธยายไว้บ่อยๆเนี่ยช่วยได้มากแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะการสาธยายกรรมมรรตาบ่อยๆเนี่ยช่วยอีกเรื่องหนึ่ง ช่วยเรื่องอะไรรู้ั้ยช่วยทำให้เราเข้าใจเรื่องสมุทัยศัตว์ดีเข้าใจเรื่องตันหาตันหานะตัวมันเองเนี่ยมันมันก็มันอนุภาพมันร้ายแรงจริงแต่ว่าสาคัญที่สุดนะตัวที่ชี้นำจะให้ผลดีผลชั่วเนี่ยคือกรรมสมมติว่าถ้ามองว่าตันหาเหมือนกับพระราชานะพระราชากับเพชฌฆาตใครน่ากลัวกันสองคนนี้ใครน่ากลัวกัน อันนันก็มันก็น่ากลทั้งคู่นะ <c oughs> คืออันนี้นี่พูดถึงพระราชาโหดนะว่าถ้าพระราชาเป็นคนสั่งฆ่านะพระราชาฆ่าเองหรือเปล่าไม่ใช่เพชะฆาตเป็นคนฆ่าหรือพญาฆ่าอ่าพระราชาสังเคียนใครเป็นคนเคี่ยนพระราชามาเคียนเองไหมไม่ใช่พวกนั้นแหะเสนาคุดทั้งหลายเนี่ยแหละกลุ่มนั้นจะมาเคียนชั้นใดก็ดีตันหาเนี่ยประดุดพระราชาเนี่ยนะกรรมนี่ก็ประดุดเจ้าหน้าที่ผู้ลงโทษ มันธาสาทยายกรรมมากๆกำรรนี่มันทําตามคําสั่งของตันหาอีกครั้งหนึ่งนะถ้าสิ้นตันหาก็ถือว่าเป็นอันสิ้นกำนะถ้าปลดพระราชาเลวอันนี้ลงไปอ่ะนะพวกเสนาพวกอันนี้ก็ถูกโล่ไปโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นสาทยายกรร ม, มัศกตาเอาไว้เยอะๆเนี่ยทาให้เราเข้าใจสมุทัยสัตว์เนี่ยนะเพราะว่าสมุทัยสัตว์นั้นก็คือกรร ม, มสกตาดีๆนี่แหละนันะ เนี่ยถ้าใครที่สายายเกี่ยวกับเรื่องสมูทายเอาไว้เยอะๆเนะี่ยคที่เราพูดแต่ละคำเนี่ยเราจะเริ่มสํารวมแล้วอย่างคนที่เห็นโทษของการใช้สุทรับสุรุ่ยสุรายเนี่ยนะจะใช้ออกไปแต่ละบาทนี่เขาคิดเยอะแล้วใช่ไหมคํานวณถึงผลได้ผลเสียในการใช้จ่ายไปหมดฉันใดสัตว์ทั้งหลายเมื่อกรรมะสกตาดีเนี่ยนะจะพูดคําใดคําหนึ่งออกไปนะโอ้ทําปริญญาเยอะเหมือนกันนะรู้ไม่ทําปริญญาเนี่เดือดร้อนแน่อ น, นะน สิ่งที่เราทําก็เหมือนกันเนี่ยนะเบียดเบียนตนไหมขณะที่ทำเนี่ยเบียดเบียนไหมสองเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนตนในระยะใกล้ไหมเบียดเบียนตนในระยะไกลไหมเบียดเบียนผู้อื่นระยะใกล้ไหมเบียดเบียนผู้อื่นในระยะไกลไหมหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมเนี่ยพันธุ์ก็หมั่นสอบถามใครครวญแบบนี้บ่อยๆก็จะทําให้เราลดความประมาทลงโดยธรรมชาติเอง เรื่องความเพียร น, นะไม่ต้องให้ใครมาสอนมากมากระตุ้นมากหรอกถ้าเราเจริญไว้แบบนี้เยอะๆนะทําไมเราไม่เพียรทําไมเราเกียรคร้านจังทําไมคําถามประเภทนี้จะลดลงไปเลยเพราะสาสตร์ทั้งหลายเนี่อรักตนเป็นอย่างยิ่งถ้าเข้าใจเรื่องกรรมมศกตาดีหมดเลยแล้วก็ยังนอนอยู่เหมือนเดิมไปหมดเลยนะแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะมีปัญหาตรงใดตรงหนึ่งแน่นอนนะแต่ว่าถ้าตั้งมั่นอยู่ในหลักกรรมสกตาจริงๆเนี่ยนะ กรรมสกตาปัญญาดีมากๆเนี่ยคนนั้นไม่ยอมทําชั่วง่ายๆหรอกศีลกุศลเขาดีเองถ้าเราเปรียบนะเคยได้ยินนะสัมมาทิฏฐิมีเท่าไหร่มีห้าใช่ไหมหนึ่งกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิสองวิปัสนาสัมมาทิฏฐิสามฌานสัมมาทิฏฐิสี่ 4, มัชสัมมาทิฏฐิห้าผลสัมมาทิฏฐิกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิคือศีลกุศลเนี่ยนะถ้าเทียบอย่างนี้เลยเนีย กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิคือศีลกุศลเพราะคนที่กรรมสกตาดีศีลดีพวกนี้ศีลดีโดยธรรมชาตินะไม่ใช่ศีลดีเพราะคนอื่นเขาสั่งไม่ใช่ศีลดีเพราะถูกเขาสั่งมาแต่ศีลดีเพราะรู้กรรมรู้ผลของกรรมของตัวเองเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นศีนเขาดีโดยธรรมชาติเพราะเขามีกรรมสกตางนั้นกรรมสกตาเนี่ยผู้ใดมีกรรมสกตาดีผู้นั้นศีลดี เพราะศีลนี่เป็นเครื่องชําระปัญญาปัญญาเป็นเครื่องชําระศีลเนี่ยนะศีลเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสาั่เสริมเป็นศีลที่สัมปยุติกับปัญญาเนี่ยนะครับกรรมสกตาเนี่ยช่วยทําให้ศีลดีที่สุดกายเนี่ยนะกายยัตุจริต ก, ก็เป็นอันละไปวจีทุจริต ก, ก็เป็นอันละไปเพราะอะไรเพราะกลัวทุกข์อ่ะนะว่าโดยรวมๆก็กลัวทุกข์อ่ะนะ แม้แต่เราทั้งหลายศึกษาอริยสัจเนี่ยนะก็อย่างว่าเราก็กลัววัฏถุก์อยู่แล้วถ้าไม่กลัววัฏทุกเนี่ยเราจะมาเพียรเรียนอริยสัจไปทําไมนั้นแต่เริ่มกลัวทุกข์ลําดับต้นๆก็คือกลัวอบายจทุกเป็นเป็นเบื้องบาทเป็นเบื้องต้นก่อนของสรุปได้นะว่าผู้ที่สแสวงหาพระนิพพานจริงๆนะควรดํารงอยู่ในความไม่ประมาทนะนะทกิจแห่งอริยสัจเหล่านั้นไป อมะตะธรรมเนี่ยนะคือคือความดับแห่งทุกใช่ไหมผู้ใดที่ไม่รู้ทุกถามว่าจะดับทุกได้ไหมไม่ได้เพราะฉั้นการทำปริญญาในทุกข์เป็นต้นควรทําด้วยความไม่ประมาทนี้ท่านยกมาเป็นตัวอย่างให้เราดูนะว่าการอ่านพระพุทธพจน์การเรียนพระพุทธพจน์แต่ละแห่งแต่ละแห่งนี้ก็ให้เราพยายามจับว่าพระ อ, องค์ประสงค์อะไรในการแสดงธรรมบทนั้นๆ มีบางคนนะเวลาเขาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยเขาตั้งคำถามนะฟังง่ายดีเข้าใจาง่ายดีเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าอยากให้เรารู้อะไรเนี่ยนะพระองค์อยากให้เรารู้อะไรตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าฝึกคิดความประสงค์ของพระพุทธเจ้านนะพระองค์ประสงค์จะให้เรารู้อะไรอันนี้ตั้งคำถามไ้เลยนะได้ไปในจตุพยูหะหาระเนี่ยนะมีอยู่4บทด้วยกันนะบทที่หนึ่งนิรุตคือวิเคราะห์สอง อธิบายคือความประสงค์สมนิทานคือเหตุในข้อ27ดหน้า45หกล่าวว่าเหตุหรือนิทานเนี่ยเป็นไนะเหมือนที่นายธนิยะผู้เลี้ยงโครกราบทูนพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ า, านะคนมีบุตรย่อมยินดีเพราะบุตรคนมีโคก็ย่อมยินดีเพราะโคทั้งหลายเช่นนั้นเหมือนกัน เพรา ะ, ะความยินดีเพราะทรัพย์ทั้งหลายมีบุตรและโควเป็นต้นย่อมมีแก่บุคคล น, นั้นบุคคลใดไม่มีทรัพย์บุคคลคค น, นั้นย่อมไม่มีความยินดีนะก็อาจจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าจริงๆนะโยมบางคนก็บอกว่าเขาไปทํางานเหนื่อยมากเนี่ยนะกลับบ้านมานะนะมาเล่นกับลูกพักเดียวหายเหนื่อยหมดเลยเขาว่ากั้นลูกเขาเล็กๆนะเดี๋ยวตอนัยรุ่นนะกลับบ้านนั้ำจะหายเหนื่อยหรือเปล่าไม่ทราบอันนั้นมันเขลูกมันตอนเล็กๆใช่ไหม อุ้มลูกบ้างอะไรบ้างเล่นกับลูกหยอกเย้าไปนี่นี่นยหน่อยก็โอ้มีความสุขหายเหนื่อยเลยดูเหตุตอนใบรุ่นนะมันจะหายเหนื่อยหรือเปล่าก็ไปทราบเนี่ยนะเหนื่อยที่บอกงานก็ไม่พอนะมาเหนื่อยเรื่องลูกต่อไปอีกอย่างเงี้ยมันก็พูดตอนที่ลูกมันเรียกว่าน่ารักเนี่ยนะตอนที่อัดสาธะเนี่ยลูกน่ารักถึงลูกคนนั้นน่ารักก็จริงถ้าเขาป่วยเป็นยังไงแต่ไหนะเขาไม่ทําความเดือดร้อนให้เราโดยประการทั้งปวงแต่ถ้าเขาป่วย เราก็เดือดร้อนกัเรื่องของเขาอีก น, นะนสรุปว่าผู้มีบุตรเนี่ยจริ ง, รงๆแล้วก็ย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรนะเพราะผู้มีประภาสตรัสไว้อย่างนั้นคนมีบุตรย่อมโศกเพราะบุตรทั้งหลายคนมีโคย่อมโศกเพราะโคลทั้งหลายเช่นนั้นเหมือนกันความเศร้าโศกเพราะทรัพย์ทั้งหลายนนมีบุตรและโคลเป็นต้นย่อมมีแก่บุคคลนั้นบุคคลใดไม่มีทรัพย์บุคคลนั้นย่อมไม่เศร้าโศกมันก่็ถามโยมคนนั้นเขบเป็นยังไงสวนลําไยปีนี้ก็บอกว่าอาจารย์ครับ คนมีโคมันก็ทุกข์เพราะโครจริงๆเนี่ยก็ทุกข์มีลาสวนลําไย่เขาก็ทุกข์เพราะสวนลําไยก็ว่างั้นมีหลายสิบไร่มากก็เลยเดือดร้อนมากเพราะสวนลําไยนั่นแหละนั้นผู้มีสิ่งใดเนี่ยนะถามผู้การก็ได้มีรีสอร์ทนะสุขไหม <c oughs> เลี้วไปว่ากันมากมาได้บาป <c oughs> ก็ นั่นมีสิ่งใดก็ทุกเพราะสิ่งนั้นถ้าไม่มีทรัพย์นะถ้าพูดแบบคนมีตัณหาเนี่ยไม่มีทรัพย์ไม่มีโคก็โศกเองนะถ้าพูดแบบคนมีตัณหาเนี่เพราะอะไรเพราะว่ามันน้อยเนื้อต่ําใจเหมือนกันนะผู้ที่ไม่มีบุตรก็น้อยอกน้อยใจทําไมเขาไม่มีลูกนะโยมบางคนเขาเขาทุกมากที่เขาไม่มีลูกเนี่ยนี่นะถ้าเขามีลูกนะคงจะดีกว่านี้เยอะอะไรงี้ยแตจริงๆเขาไม่รู้ว่าเขามีความสุขขนาดไหน ความสุขบางอย่างมันดีแล้วตรงที่ไม่ต้องมีทุกขะ์นะเขามีบุญมากแล้วเขาไม่รู้ตัวแต่บางคนนะคิดไกลอีกว่าเออเนี่ยนะถ้าเราไม่มีลูกเดี๋ยวไม่มีคนเลี้ยงระหว่าางนั้นจริงหรือลูกเลี้ยงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นแต่ก็มีอะนะลูกที่เขาเลี้ยงก็มีคนที่พอรู้มงคลมาตาปิตุอุปทานที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็มีแต่ว่าโดยมากอะ่ะจริงๆบอกอนาคตต่อไปนะ เขาห่วงอยู่เหมือนกันว่าคนชรายุคต่อๆไปเนี่ยจะอยู่กันอย่างไรเขาบอกว่าแนวโน้มของคนยุคต่อๆไปลูกก็น้อยลงใช่ไ้มความกระตัญยูกระต่เวทีเป็นต้นน้อยลงการแพทย์ดีขึ้นอายุยืนขึ้นบอกว่าภาระของคนอายุมากในยุคต่อๆไปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยแต่ว่าอันนี้พูดถึงว่าที่พระองค์ตรัสว่าคนไม่มีทรัพย์เนี่ยและบุคคลบุคคล ผู้ไม่มีทรัพย์ก็ย่อมไม่เศร้าโศกเนี่ยหมายถึงว่าถ้าตัดฉันราคะในทรัพย์เป็นต้นได้ก็ย่อมไม่เศร้าโศกเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็พระเจ้าสอนให้คนเป็นคนยากจนให้หมดสิไม่ใช่นะอันนี้หมายคำ ว, ว่าคําว่าไม่มีในที่นี้แปลว่าไม่มีฉันราคะในวัตถุนั้นวัตถุนั้นนั้นเป็นต้นเนี่ยนะย่อมไม่เศร้าโศกเพราะอาศัยวัตถุนั้นนั้น ด้วยเหตุนี้ด้วยเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้รู้ได้อย่างนี้ว่าในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสซับคือบุตรและโคภายนอกว่าเป็นอุปธิมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประเทศอังกฤษโคเป็นโรคอะไรนะโรควัวบ้าแหละนั่นนะถามว่าถ้าเป็นเจ้าของโคที่ถ้าเป็นโคของเราทั้งหมดเนี่ยนะจะเป็นยังไงโอโคเป็นแสนนะถูกค่า ถ้าเป็นเจ้าของหมูที่มาเลเซียเมื่อไม่นานนี้จะเป็นยังไงถ้าเป็นเจ้าของไก่ที่ฮ่องกงตอนนั้นจะเป็นยังไงเหเดือดร้อนแน่